พระบัญญัติ232ยก็ทายกนำขนมหรือข้าวตูมาปรนนาภิกษุผู้เข้าไปถึงตระกูลภิกษุต้องการพึงรับได้เต็ม 2-3 ถึงบาทถ้ารับเกินกว่านั้นต้องอาบัตรปาจิตตีครั้นรับเต็ม 2-3 ถึงบาทแล้วเมื่อนำออกจากที่นั้นแล้วพึงแบ่งปันภิกษุทั้งหลายนี้เป็นการทำที่สมควรในเรื่องนั้นเรื่องพ่อค้าเกวียนจบ